ฟันะงธรรมป่อไปอีกเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเรามีงานในการศึกษาวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ ชีวิตของเราอยู่แบบไหนเช่นไรมีตาก็กลับมาดูตัวเองมีหูกลับมาฟังเสียงตัวเองมีกายมีใจก็กลับมาดูตัวเองมอบหน้าที่ให้ตาดูแลกายมอบหน้าที่ให้ใจดูแลใจ เกิดขึ้นที่ไหนต้องให้ดูสิ่งนั้นดูเลยตาดูเลยกลายดูเลยใจนั่นแหละคือสติปัญญ า, าอะไรเกิดขึ้นมาค่อยรู้สึกตัวตาเปิดไปข้างนอกหูไปข้างนอกใจไปข้างนอก กายไปข้างนอกแสดงว่าไม่รู้มาดูแลตัวเอนยิ่งเรามีกรรมฐานยิ่งชัดเจนแม่นยามดีช่วยตานช่วยหูช่วยจบูกรื่อกายใจให้กายได้าทาหน้าที่ตรงๆตรงางหูจบูกรื่อกายใจให้ทําหน้าที่ตรงๆ มันก็จบได้ตาก็จบลงที่ตาหูจบลงที่หูกายก็จบลงที่กายจิตใจก็จบลงที่จิตใจให้เป็นอะไรต่อไปเงินเหรียญจบได้ชีวิตของเรานี่มันสรุปเอาไปเอามาตาหูจมูกเลี้ยงกายใจลงที่สู่ที่ศักตวว่า คือกลับมาดูตัวเองทั้งหมดแล้วก็จบเป็นมารวบรวมให้พับใส่ในกระเป๋าให้ถือในกำมือเดียวมันก็ไม่มีอะไรไม่ไลูกกำนม้มลูกน้ำ ม, มาจบเป็นง่าย รวโกดของรูปความหลงความลากขวามชังความเกิดเจเจ็บตายมันไม่ใช็รูปเห่นนามมันเป็นอาการเกิดขึ้นรูปยจริงคือรูปนามจริงๆคือนามมันจบง่ายหน้าที่ของรูปหน้าที่ของนามอาการของรูปอาการของนาม ธรรมชาติของรูปธรรมชาติของนามมันกลับเืินไปสู่ธรรมชาติของเขาเจ้นี่เราไม่ศึกษาไม่กลับมาก็าเป็นพาละไม่ม้วนไ้เขากลับเืินไปลาละก็เกิดกลาเป็นขันห้าขันห้าก็เป็นพาละสุกว่างทุกว้าง <c oughs> อาก็เกิดขันหน้าได้เป็นอุปทานได้หูก็เกิดอุปทานในขันหน้ได้เป็นพวเป็นชาติที่ตาที่หูได้ออกไปออมาเรื่องที่เกิดเฉียงที่สุคือจิตใจง่ายๆแล้วบัดนี้ก็เห็นเรื่อง สิ่งที่เกิดกับใจสวรรค์ของใจก็คือมันคิดความคิดที่ตั้งใจความคิดที่ไม่ตั้งใจลักษณะความคิดมี2องอย่างการตั้งใจคิดในสิ่งที่เป็นการเป็นการเรียกว่าวิชาความไม่ได้ตั้งใจคิดมันชิดขึ้นมาเอง เรียกว่าอาวิชชา <c oughs> กร็รู้ชัดเกินสองอย่างนี้อวิชชาและวิชาอาวิชชาเป็นสังขารวิชาเป็นวิสังขารไปจบเป็นจบเป็นจบเป็นถ้าอาวิชชาจบไม่เป็น เกิดดับกิดดับกิดเจ็บเจ็บตายพวกชาติฉลาดหมดละง่ายๆดูดีๆให้เห็นช่องทางง่ายๆเหมือนเป็นเครื่องทุนแรงการของทำของดับให้มันเบาทำของที่มันยากให้มันง่ายขึ้นมา ทิธีทมสิ่งเหล่านี้ก็มีคือกรรมฐานนึ่ยากขนาดไหนลองกลับมาดูต้องไ้ที่ตั้ ง, ต, งตั้งไ้ที่ตรงไหนกลับมาตั้งที่ตรงนั่นไห้มีที่ตั้งวิชากรรมฐานเอากาย มีสติไป็ น, นกายอยู่เป็นประจํามีสติตั้งไว้ที่กายนี้มันไปไหนกลับมาตั้งไวน้นี่มันมีจริงกายเป็นลูกลูกมันก็แสดงให้เห็นอยู่อะไรเกิดขึ้นมาก็ลู่อยู่ลู่ได้กายเป็นทีมีนกายเป็นที่ตั้งคำว่าลู่ที่กายเป็นหลักสูตรเหมือนกับการเรียนอนุบาล แต่อนุบาลนี่แหละสำคัญที่สุดตั้งไว้ที่นี่กลับมารู้ที่นี่เป็นหลักสูตรที่นี่อย่าทิ้งหลักสูตรเชเอาไปเอามาเมื่อมันตั้งไว้ทั้งนานมันก็งอแงวขึ้นมาเหมือนเราเรียนหนังสืออนุบาลแต่แรกไม่รู้เรื่อง ขอไก่ขอคอยอยูนี้มันเป็นประโยชน์มากมายเขาเขียนเรื่องตัวหนังสือมันเป็นเรื่องมีความหมายเช่นนิทานอิสกเราอ่านเด็กนักเรียนไปหัดอ่านนิทานอิสกความหมายมันคืออะไรนิทาน เราก็เอาความหมายนู่นแล้วมเอาหนังสือแต่ก่อนเราเรียนจำหนังสื อ, อรู้หนังสือมันก็รู้ความหมายของตัวหนังสือหนังสือก็พูดเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรเรื่องที่หนังสือสอนเป็นเรื่องของใครมีความหมายเพื่ออะไรเราก็รู้เรื่องเช่เรา มาฝึกกรรมฐ า, านเราโก้เรื่องของกรรมฐ า, านที่มันเกิด อ, อะไรมันสําเร็จอย่างไรควมหมายไปถึงไหนสิงที่มันเห็นมันผ่านมามนคืออะไรเราจะเจาะข้อสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างไรทําอย่างไรก็ทําอย่างถูกต้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ถึงมันเกิดขึ้นก็คือที่กายที่ใจนี่คือรูปที่นามนี่ได้มีนอกจากนี้ไปนอกภายนยปาโนอกก็คือภายในนี่ภายในคือแางนอกนี่นั้นเรามีสติดูแลยไปดูแลยใจอยู่นี่มันก็มี ลูกมีโลดมีขิดมีเสียงก็คือมาดูแลกาย ใ, ใจนี่ให้การเป็นใหญ่ให้ใจเป็นใหญ่อยู่นี่ที่ตั้งไว้นี่อาชีพที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆหลังกม็มีปัญญาแล้ววันนี้จนความคิดเกิดทีิจิตใจ ความคิดที่ตั้งใจความคิดที่ไม่ตั้งใจเกิดความฉลาดขึ้นมาถูกหลอกเป็นความเกิดความฉลาดถูกหลงจะเกิดความรู้เกิดความฉลาดถือความทุกข์ถูกความทุกข์หลกก็จึงเกิดความฉลาดออกจากสิ่งทีมหลอกได้ถูกหลอกมาเรื่องกายก็หลอกนัื่งใจก็หลอก หลกให้สุกหลอกให้ทุกขหลกให้หัวล้อลองให้ตอนนี้เมื่อเห็นขันเห็นอาการที่มันหลอกขึ้นมากัเป็นสติปัญญาเรื่องการเรื่องใจหลอกไปได้จะเป็นมากเป็นผลขึ้นมามีอ น, นิสงส์เกิดขึ้นมาได้ประโยชน์จากกายจากใจ แต่ก่อม่ค่อยได้ประโยชน์20ปีแล้ว30ปีแล้วยังไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นที่กาที่ใจมีจะรับช่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่กาที่ใจตอนนี้มันได้ประโยชน์ไม่รับช่ยมันอีกต่อไปในธรรมาชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นจบได้ งั้หลวงปู่เทียนสอนกรรมฐานมีสติดูกายที่เคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเออเห็นมาตั้งแต่อันนานแล้วตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่รู้เรื่อง แ, แต่ไม่ได้เห็นแหลมคมอะไรต่อมาฝึกกรรมฐานเข้ามันเห็นจริงๆเห็นจริงๆมีจสติดูกายเคลื่อนไหเห็นใจมันคิด นั่งคอชิดอันเก่าขึ้นไว้ก่อนเก่าแต่ว่าเมื่อบันแข <c oughs> ก็ขึ้นมามันก็เกิดไหลขึ้นตรงหน้าเชือ่อมเหมนขาดที่หลงผูเทียนเถยวาอะไรเหมืนขาดเหมืนขาดเป็นใช่ไหมได้สุขไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่มีอะไรเปรียบเทียบถูกวันหยาดไปเชี่ยวขาดตรงนี้ ประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนเหมือนกันหมดโอ๋จอบมีสติดูคอยเคลื่อนไหวเห็นเจมันคิดแต่ก่อนก็เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องโอทําไปทำมาก็ชำนี้ํำนานมากขึ้นเกิดเชื่อขาดเกิดมันใช่ไมนได้อ่านความคิดจะไม่ตั้งใจมันใช่ไม่ได้ จะให้เป็นสุข่ยนทุกเมื่อความคิดที่ไม่ตั้งใจมันใช้ไม่ได้มันกระทบกระเทือนไปลายความาสวะภะวาสวะอวิชชาสวะใช้ไม่ได้มันไม่มีเหตุตะจะไปใช้รุ่นรุ่นไม่ได้มันตกก้องก่อตั้งขึ้นมาที่อวิชชาคือความคิดไม่ตั้งใจนั่นพอเห็นเป็นวิชชามันก็เปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขาร มันไปไม่ได้กรรมอาสวะพระว่าอสวะเอ้ามันจบแค่นี้อะไรก็จบลงจบลงเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครังเดียวแบนงโงขึ้นมาอีกเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดกับกายกิดใจนี่ถ้าเราศึกษามันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากมันมีกายมีลูกเป็นลูกได้ประโยชน์จากิจใจที่มันเป็นนามนี่ เราจึงมีรูปมีนามมีกายมีใจกันทุกชีวิตเนี่ยสี่สิบวันก็ผ่านไปแล้วโอาคืนไม่ได้แต่รูปนามยังมีอยู่ที่จะมาศึกษาอย่าปล่อยให้มันป่อเถื่อนมากเกินไปเป็นชี่ค่าของรูปของนามเกินไปให้ได้เป็นลายของมัน มันพวกเรสวดสวดสวดมนไหว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าหุทภภาวะเป็นนายของกายของใจหุตภเกิดขึ้นตีรูปที่นามนี้มันเป็นมนุษย์มันมีสมอง ม, มีสมตว์ประเสริฐ <c oughs> ไม่ใช่ผลัดใช่เลตนาผลักใ ช, กใช่ความโกโลูบหลงมันต่อมตอย ทำไม่ลงทำไม่ลงมันเป็นน้อยแล้วเกิดววลาค่าจาคขายเบื่อน้อยกลุมที่เป็นอวิชชาสังข า, อ า, างอรอกุศลธรรมเปิดขึ้นมานานในชีวิตของเรามันเรียนจบได้มันเป็นมาเป็นผลได้ ถ้าเราไม่ศึกษาก็เป็นอกุศลเป็นกรมเป็นวิบากเป็นเปรตเป็นชีวิกายเป็นสัน德โลกได้อันนี้รูปนีนามรูปก็เกิดได้หลายอยา่างนามก็เกิดได้หลายอยา่างเราก็เห็นกันอยู่ เกิดจากน้ําเกิดจากความคิดเกิดได้หลายอยา่างคุ้มร้ายคุ้มดีความลับกลายเป็นความช่างความช่างกลายเป็นความลักบ <c oughs> ทำปิดพลาดขังแล้วขังเล่าไม่รู้จะจกเก็บจะหลอกไม่อ่ยแม้แต่ความคิดที่มันเกิดกิดเราทั้งคิดขึ้นมาก็ปเปื้อนทั้งไมอายยไปอายคนอื่น <c oughs> จึงมาตรงอายตัวเองปล่อยให้ตัวเองคิดหมกมุ่นหน้าอูดหน้าเบึงตงตเพีย้ยนือความชิดหับใช้ความชิดเป็นชี้ข้าของความชิดทุกเป็นโทษก็ยังยอมรับที่เกิดจากความชิดทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีอะไร เกิดิเละต้นหาลาคาก็เกิดจากความคิดเกิดความขูโลูหลงเกิดจากความคิดเกิดความขัวความข้าความเขียดความชังเกิดจากความคิดเิดทำผิดทำเสื่อหายเกิดจากความคิดมันใหญ่ขนาดนี้ความคิดเราจุดไขมันใหญ่แบบปอดเกินอยู่ในชีวิตเราทำไม เราก็เห็นอยู่นี่ถ้าเป็นคนท้วงว่ามาคิดเฉยๆโดดเป็นอาการเกิดกับกิจเฉยเราก็จะบอกกันนี้ไม่ใช่ตัวเฉยตุ้นสุขที่เกิดจากความคิดก็เป็นอาการหนึ่งทุกเกิดจากความคิดก็เป็นอาการนั่นไม่ใช่ตัวเฉยต้นเราสุขทุก ไปหัวไปเฉินไปกับความคิดมันก็ไม่ได้ตื่นมากๆตื่นมากๆตื่นมากตรงนี้นะถ้าเป็นกระโดดก็โดดด้วยกายมากตองเห็นจริงๆนะโย mm hmm. นเราจะประกาศต้องมาได้เลยต่อไปนี้คำว่าสุขวะทุกข์จากความคิด จะาไม่มีแล้วประกาศอิสฉลาภาพถ้า เ, เป็นหนงเป็นสาวจะได้มีอิสรล า, าเป็นนานถ้าไม่ประกาศตรงนี้อา้าวยอมรับค ว, ความเจ็บความเจ็บกลามตายไปหลงห่อยเสียใจเกิดจากตัวเราเกิดจากคนอื่น เอามาเป็นเรื่องของเราต้องหลงให้เสี่อยเฉยโล่หัวเราลองให้เสียใจเพราะถั่วเราลูกน้ํานี่เพราะคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเอาสิ่งอื่นวัตถุอื่นมากําหนดหนักลงไปเราได้เราเสียเรายากเราจนเราม่มั่งมีเราดีเราลู่เราไม่ลู่เรา เลวกว่าขาเหลวกว่าเราเขาดีกว่าเราพอเลยก็มากเลยพอเลยเว่าบัญญขันตานะเกิดที่ตัวเราไม่บอมบัญญัติอีกภาษาบัญญัติสมุดเข้าไปอีกแน่เยกระดูกกระดิกไม่ได้สมุดบัญญัติบังคับเหมือนกับ ปั้นจันบังคับทำโจมลงไปเมื่อมีสมมุติปัญญัติก็มีวัตถุอาการประกอบกบสมมุติปัญญัติเอาไปลงไปอีกอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีสิ่งใดไม่ดีเอามาเป็นเรื่องของตัวเองสิ่งได้ดีมาเป็นเรื่องของตัวเองเป็นตน้เป็นตัวเนื่นหนามากขึ้นปั้นจันทุบโต๊อม้องลงไปจมลงไปใส่สิบห้าสิบเมตร นิดเชาติต่างชาติไม่รู้รเลยเลยหลงตลอดชาติโกรธตลอดชาติทุกตลอดชาติไม่เป็นอิสระโลกทำโูปนามเขาให้มาเพื่อให้ใช่เป็นพ่วงแผรข้ามว่ามันถึงฝังถึงฝาอย่าไปมุดอย่าไปหอไปไวอยู่ในโลกโลอยคออยู่ในห่วงโอ้็่าแห่ง วองน้ำโจองอยู่ทุกนั้นมีอยู่แนละ้วมักคนนิพพานที่เรามาเอากายเอาใจเอาลูกนามมาสร้างขึ้นมาก็บอกแล้วบอกอีกพูดแล้วพูดอีกผู้เจ้าก็สอนแล้วสอนอีก ก็อรอหายเป็นจากขันท่าคัต้องหาเป็นขาหนักนึกหนัก้าเราได้ยินเรื่องนี้ในหัวใจเรามันหนักมันดังมากตกมือข้างเดียวดังที่สุดตกมือสองข้างดังได้เหมือนกันแต่ดังไม่กี่วัน ตบมือข้างเดี๋ยวดองถึงโุกามันหนักมันดื้อมันต้งฮะเป็นของหนักนืดพอรอหาโลจะปุกกระโลกระโ ล, ลนั่นแหละแบกไปแบกไปแบกโลกตั้งแตก็ะจังหัวล้อจิ้มเป็นสุก เหมือนลูปเขา อ, อ, องจอกขุนหัวเลือดกระเด็นสมองกระเด็นอยู่จังหัวลอยอยู่มันด่านขนาดนันสัตว์นรกดื้อด่านไม่รูจ้จกช่วยตัวเองไหยตัวงโกดไหวตัวง ũng, หลงไหวตัวงทุกไอวตัว คุณคิดเป็นค่าความคิดเป็นค่าของเจตนะคิดคึ้นมาเราปรุงอะไรก็ได้แต่ความคิดเป็นใจแล้วไปใช้กับสิ่งเกิดวัตถุอื่ น, นตัดฉิบหาล้กันตัดที่ใจตามความคิดก็เกิดการฆ่ากันตายความคิดมันร้ายกูเชื่ออารมณ์เกิจากความคิด กํลาลอยคนม า, มากๆเนาเมื่อฝึกกรรมฐาธมีสติไปนในกายเห็นจิตที่มันมีสติไปในกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเนี่ยกองเมื่อจบกองก็ปกฏเห็นของเท็ของจริงที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่มีใครไม่เห็นนั่นแหละ ำลาที่มาศึกษามันมีสติปัญกาประจำดูการเคลื่อนไหวเห็นใจบันคิดเกี่ยวข้องกับอย่างไรทำเป็นอย่างไรตรงนี้ทำเป็นหรือทำไม่เป็นเห็นหรือเป็นทำไมเห็นถ้าเห็นจิตที่มันคิด เห็นจริงๆไม่ได้เป็นไปตามมันมันจะแตกฉานถ้าเป็นตรงนี้ก็ไม่แตกฉานมืดบอดไปเลยคิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นไปแล้วคิดมาเป็นทุกข์เป็นไปแล้วคิดขึ้นมาเป็นจีิตะนาเป็นไปแล้วคิดขึนนดนนด้นมาเกิดความโลภ ค, ความโกรธความหลงพอใจไม่พอใจเป็นไปแล้วมืดไปแล้ว โอกาสพลาดไปแล้วพลาดโอกาสเฉยแล้วมันก็หลุดจากหลักไปแล้วมันก็ตกต่าไปแล้วเหมือนเสาหลักที่ตั้งอยู่กลางน้ำน้าไหลปล่อยไปก็พัดไปจุกเป็นจุกทุกข์ลงไปไปไปไปไปตกต่าไปแล้วแหวกพายขึ้นมายากที่ใดก็ที่นั่นหรอก ไม่มีกำลังตัวนี้นะดูดีๆน ด, ด้กำลังตัวนีนะ้อะไรเกิดจากก็คิดเห็นมันคิดเห็นมันคิดแม่ได้เป็นผู้คิดมันคิดก็มาเองดูที่ไม่ตั้งใจเป็นเงื่อนไายของมน แล้วก็กลับมาอีกทีกลับมามปดูสติดูการดที่เห็น mm hmm. มันคิดอีก ไ, ไม่ตั้งใจงมันก็หลุนแรงรล้จักเสียเปรียบตรงนี้นะเอาไปมาวัดทูมันลองผูเทียนว่าดูดีๆมีสติเดินอยู่ดีๆเดินเนจ้ากรมี พ็ดูไปทัา้าเหมือนคนมาผักหลังที่เท้มาความคิดวืบขนาดแรงมากแบ น, นีนความคิดที่ไม่ตั้งใจไหนมันหยาบมันรุนแรงนะถ้ามีสติที่แบบสติปัฐานจริงๆนะรุนแรงมากตื่นก็ตื่นตัวห น, นึ่งึงเกิดการเชื่อขาดคือทั่วตื่นตงหนึ่ง ที่เกิดขันหน้เป็นอุปทานมีรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาต์คือตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้ที่เป็นขันนางหลาที่เป็นอุปทานอันขันธรามดามราก็ไม่เป็นเลยแล้วแต่ขันอุปทานเองแต่ว่าอุปทานนะขัน อุปานจะลูกมันเกิดซ่อดขึ้นมาเวทนาในเวทนาทุกในทุกโอ้ผมเห็นตัวเหนียวเกิดใช่ไม่ได้เหมือนมันเหมือนแก้วแตกแต่ก็อมันแช่น้ำเย็นน้ําอุ่นได้ก็รามัเห็นอย่างนี้นาเหมือนแก้วเหมือนแตกมันแตกลงไป เสือดเสื่สอได้ก้มสุขเสีดสยด้ก้มทุกข์ยังมีนะเฮิคเคยสุกเคยทุกข์ย่อมย้อมมีอะไรน้อยๆจับมาใช่ยังมองใช้ก็ใช้ไม่ได้ร ม, มันแตกแล้วหดเนื้อปดตัวตรงนี้ได้เหมือนกันเคยใช่สุข ใช้ยทุกเคใช้ยาล็กอกเอยใช้ยางเคใชใ้อะไรอะไรต่างๆต่างหมดใช้ได้ตังเสียงเพลงในความสุขนัง่งเกาอีพิงพนักในความสุขอ่แดดร้อนในความหนาวอดแดดร้อนในความร้อนแลอขอขนเกิดความหนาว ความหนาวก็อีกแบบความร้อนอีกแบบห น, นึให้เป็นทุกข์ควมร้อนความหนาวเราก็ใช่ไปได้มันเป็นอาการธรรมชาติของโูกของนาำ ม, มันบอกว่าเราเคลืนไปไม่ได้ไม่ได้ต้องคืนที่เก่าจู่ธรรมชาติหันหลังให้กันเหมือนคนห้าคนแต่ก่อนหันหน้าขวากันเดึงกัน วันนี้งหลังก็ว่าตงวิ่งมมันไม่ไปไหนซุกทุกวันนี้มันวันนี้งันหลังให้กันทำช่ไม่ได้ <c oughs> เอา <c oughs> กับคือเข่าซะกับเกินนกอ๊อดซะงานหลังใช่กันไปอิจุาภาพกนะันคนสาห้าคนทํางานหน้าหน้าใช่กันตอนนี้หานหลังใช่การเก็บข้าวจาของกลับที่กับช่างสู่ธรรมาชาติ ยิ่งใหญ่ไปเมื่อสูธ่ธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมตาจิตได้เกิกดตามธรรมกฎธรรมชาติเป็นหลักการสู่ธรรมชาติว่าธรรมชาติตาเห็นรูป ก, ก็เห็นตามธรรมชาติหูยินเสียงก็ได้ยินเทียงตามธรรมชาติจะมูกได้กลิ่นไดโ ล, ลดกายสมบัติก็ธรรมชาติ จิตใจเทวัญจิตธรรมชาตนล้วนๆมันมีอุปทานอะไรทุกทนหนบัตเอาอะไรมาเป็นทุกข์ัตเอาอะไรมาเป็นสุขมันก็จื่ชื่อชื่อชื่อชื่อเปนสุขเป็ทุกข์ถมันใช่ปได้มีแต่ปกติไม่ก้เป็นอาขึ้นไม่เลยมันไม่มีค่าเลยปันณที่เราสาธยายผู้สุขธรรมชาติไม่มีค่ า, บ, า, า, ย า, ยคาบอกเกน บอกเกินไม่มีที่ให้อาศัยไม่ให้ค่ะไม่ต้อนรับตาโก้ปฏิทิ่จะกูในหลอกอริสัตย์ีคือตัวนี้คือขันาหน้ามันเกิดจากนี้เลมีรูปมีดาวมันไม่ถ้ามันมีรูปมีนามก็ไม่มีมากมีโูน โลกนามนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นนาการเป็นวัตถุเป็นสมมติเป็นบัญญัติขึ้นทุตุนีเป็นพวกเป็นชาติก็ได้ซึ่งภพเช้นชาติก็ได้นะเนื้อมาศึกษากระเถิบพวกเราได้มาแล้วได้หลักสูตรมาแล้วเรียนให้มันจบซะกายเท่านี้ใจเท่อนี้เมื่อได้หลักได้ฐานเป็นรูปเป็นนามมันจะบอก ลูกมันจะบอกนามมันจะบอกความเท็ความจริงมันเกิดขึ้นที่ลูกที่นามถ้ามีจิจใจเห็นความเท็ความจริงความเท็ความจริงที่เกิดขึ้นที่ลูกที่นามมันจะแตกฉานมาจากอะไรเป็นสมมติปัญญาตวัตถุาการอะไรบ้างลือถวนถว่าอะไรถอนลอกถงคูณตรอเห็นลูกนม้ตา มีลูกขวายนอ้อขวยน้อยแล้วเห็นปัญาการที่ม่นมีตามีลูกเมื่อเห็นเแล้วมีสมมุติมีบัญญัติขึ้นมาไมแน่นหนาบัญญัติก็มีสมมุติบัญญัติว่าดีว่าไม่ดีแต่ว่าดีก็ชอบถ้าว่าไม่ดีก็ไม่ชอบไประบบเป็นภพเป็นชาติไปสร้อยไปขวแล้วบ่เนี่ย มีสมมติมีบัญญัติมีวัตถุอาการนะโลกเนี่ยที่ว่าลูกโลกน้ำโลกโลกสมมุติตามสมมติลูกบัญญัติน้ำบัญญัติวัตถุอาการต่างๆมากมายในโลกเนี่ยถ้าเราไปเรียนโลกว่าโอ้มีแต่สิ่งที่ทับถมเราให้จมลงไปนะสมมติกัทับถมลงไปอันนี้ของกูอันนี้ของกู แม่แต่ควรกดคือกูกดกูรักก็กูรกทับลงไปกูด่ดยกูเสียกูดีกูมางมึงเลี้ยวกูกูเร็วยวกูมึงมึงดีกูกูเสียเปียบมึงมึงไรเปียบกูว้งเอาคนแน่นลงไปน่นลไปเป็นกบเป็นชาดเกิดบ้าก็จมปักลงไปเมื่อไม่รู้ก็อยู่ตโอยตรง พอใจก็ใจแบบต่ำๆถ้าเห็นรูป ก, กว่็หลงเอาความหลงพาไปเอาความพอใจพาไปเอาความไม่พอใจพาไปเอาไปทางต่ำ อ, อะไรเป็นรูไปไว้ทางสูงเลือกได้เลือกได้ชื่อของเรานี่มาเลือกสิ่งที่มันเกิดเกิดกายกิดใจเรานี่ ตรงนี้ละเลือกเอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเลือกตรงนี้ที่กาที่ใจเกิดอะไรขึ้นมามีสติดูกายเห็นกายแน่นอนเมื่อเห็นอาการที่เกิดกับกายเกิดขึ้นเกี่ยวข้องอย่างไรเห็นใจที่มันชิดยี่เกิดขึ้นกับใจที่มันชิดกันมามีอาการอะไร เจ้าของกรรันยังลอยอยู่ตรงนี้วิชากรรมฐานมีหนังสือปฏิดัติถกตั้งอยู่ที่นู่นหอนธรม น, นู่นอาศัยกายอาศัยใจยเป็นที่ตัองอ้งแห่งความรู้จึกตัวอท่ตรง น, นี้มีหล่ยอย่ อ, ยอนสอนช้บับเพาอาณาปันบับเพะอันบับพายกมือเคลื่อนไหวอันนบับ รอยู่นี่ก็เห็นอาใยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวเมื่ อ, อไรเกิดขึ้นก็สักต่ ว, ว่าเมื่อมีสักแต่ ว, ว่าอะไรจะมาตั้งอีกต่อไปความโกรธจะมาตั้งความทุกข์ความหลงจิตเรตนาจะมาตั้งหเือก็สักแต่ ว, ว่าเห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วก็มา ไห่มีอะไรตั้งเลยพอดมีแต่สุิเฉมมั่นคงมั่นคงมั่นคงจยงลากลงไปอย่างลากลงไปเมื่อหมนลากมากสติมากสติมากรูมากรู้มา ก, มากมาได้ความรู้จาความหลงได้ความรู้จาความหลงได้ความรู้จาความหลงเกิด ส, สิ่เกิดสมาธิเกิด ป, ปัญญาปัญหาเป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญาแนี้น สนมีสมาธิปัญญากรรมจะเฉลช่วยเป็นแบบนี้มีเครื่องมืออะไรมาช่วยอะไรสิ้นมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยก็เหมือนคอยปัญญาปัญญาช่วยทําอะไรก็ปัญญาช่วยสาเป็นทุกอย่างแตกฉขนทุกอย่างอันนี้ก็ศิ้มาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วย อุดมสมบูรณ์เลยปะเนี้ยสะดวกสะดวกสะดวกอยิ่งคุกหลงเข่าหลงเข่าสะดวกยิ่งคุกลงเขา่ข า, ขาทองเปียกมันก็เลงรุวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาผ่านมันสะดวกตรงไหนที่มันจะ แ, แล้วจวดอดเดะขาก็ยิ่งช้าไม่ช้านานเกิดขึ้น ในจำนานเพราะจราจรไม่สะดวกโกิดความจำนานท่านั้นในศาสตร์ในศินตรงนั้นในความหลงํานานในความไม่หลงในความทุกทํางนานในความไม่ทุกในความโกรธํานานในความไม่โกรธใ้อะไรต่างๆแต่อวิชชาทํานานในปิชาขึ้นมามันเป็นอย่างนี้การศึกษาธรรมะ ไปยอมโง่ไปยอมโกรธธรรปไปยอมทุกข์มไม่ทุกข์มอยู่รูปเป็นทุกข์หรอไม่ทุกข์เพราะรูปเวทนาเป็นทุกข์หรอไม่ทุกข์เพราะเวทนาทาไมไม่ทุกข์เพราะเห็นเวทนาสักว่าเวทนาสัญญาสังขารป็ทุกข์หวิญญาณเป็นทุกข์หไม่ทุกข์เพราะสัญญาสังขารเป็นสมมติปัญญิ ไม่ใช่ว่าตัวกาไม่ใช่ประบัดสัจจะไม่จริงพองไปโง่ โ, โกรธไม่จริงผมไม่โกรธจริงกว่านัน่นโง่ทุกไม่จริงโงไม่ทุกจริงกว่าเชียงบ่าเชงหลังเหยียบย่ำลงไปมันต้องสูงเพราะมีสิ่งที่เหยียบมันโงอกงามเพราะิงที่ เป็นปุ๋ยให้ความโกรธความโลภความหลงเกิดตนาเป็นปุ๋ยให้เกิดมากเกิดผลเลยเหมอนอดก้อนแรกทําให้ตึกสูงสิบชั้นยีสิบชั้นไลยหนึ่งรูจงังหวะสิบสีจังหวะแต่ละรูแต่ละรูเนี่ยมากรูมากรูมากรูให้ทําตัวนี้ให้ทําตัวนีงเก็บบ่อเก็บบ่อทำอะายทุกคน เพื่อนมึงเคลื่อนไหวไปมาอย่าไปทำอะไรสี่สิบวันผ่านไปแล้ว <laughs> ไม่ให้ทำอะไรไอ้มาสี่สบวันเป็นของชีวิตเราจริงจริงทุกนาทีทุกวนาทมีมีวิธีที่ได้ทุกวินาทีกรรมฐานเนี่ยทุกนาทีใช่ใช่จริงจริงไหมสี่สิบวันถ้าไม่ใช่จริงอย่าไปโทษใครนะของตัวเง องตุนตืนต น, นช่วยขายตนอย่าไปโทษค น, นอื่อนเอาเอานี่นะสมควรจเวลา